ขอนอบนแดดละผู้มีพระภากระหันตาสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค <c oughs> ์นั้นนาบัดีนเป็นต้นไปเป็นเวลาปฏบิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้นั่งขับสมาธ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 มันจะมีอารมณ์เรื่องใดพุดโทโผล่ขึ้นมาในใจก็าตามเราต้องปฏิเสธปัดทิ้งไม่ให้จิตใจเช่นนั้นขึ้นมาแทรกแซงในเวลาที่เรานักบริกรรมภาวนาอยู่คือว่าการนั่งสมาธิภาวนานี้ท่านต้องการใจ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 ก่อนที่เราจะหลับจะนอนให้ฝึกตัวเองให้ได้ว่าเราจะต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเสียก่อนให้จิตใจเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้ให้ถือเป็นข้อวัดประจำ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 ไม่มีความตั้งใจมัน่นถ้าเรามีจิตใจตั้งมั่นว่าในคืนหนึ่งๆก่อนจะหลับจะนอนต้องให้เดินนั่งสมาธิภาวนาเอาจ น, าานาาจนิตใจสงบระงับเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อนนอนอันนี้สำคัญมากถ้าหากว่า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 คือว่าต้องการจะให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานง่ายๆแต่การประกอบกระทาของเราไม่มีความจริงใจอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้เราตั้งใจลงไปทำให้ได้ทุกทุกคืนหรือว่าทำโดยความสม่ำเสมอจิตใจนั้นมันจึงค่อยเป็นไปในทางดีได้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 ท่านพูดแสดงงนน่ายๆแล้วว่าทานศีลภาวนามีทานมีศีลมีภาวนาถ้าเรามีภาวนาอยู่ทุกคืนทุกคืนพาให้นิสัยใจคอของเรานั้นเปลี่ยนแปลงจากที่ไม่ดีให้ดีได้ เพราะอะไรทุกอย่างมันชั่วที่ว่าทำอยู่เสมอเสมอไม่ได้การประกอบประทำอยู่นั่นแหละเป็นหลักปฏิบัติและเป็นการเปลี่ยนแปลงจริตใ จ, จของตัวเองให้ดีขึ้นถ้าเราไม่มีข้อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องฝึกฝนจิตใจ มีแต่ความต้องการตาดทนาอย่างเดียวย่องไม่สําเร็จเมื่อเราต้องการสิ่งใดต้องมีความภาพเย็นพยายามในสิ่งนั้นจึงจะสําเร็จได้เราต้องการความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารเราต้องตั้งใจทําดีตลอดกาล คนอื่นผู้อื่นจะมาชักชวนไปให้เราทําชั่วเราไม่ไปเมื่อเราไม่ไปความชั่วต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้เทนเน่กิเลสในหัวใจนั้นท่านว่ากิเลสมารสังขารประมาณมารคือสังขารตรงแสงเมื่อมารเคยสังขารตรงแสง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 ถ้าไปเชื่อกีแลกมานสังขารลามาไม่ได้ทำเชียงเราคิดว่าจะลุกขึ้นไหวพระสวดมนต์ิสตีนั่งภาวนามันมีข้อแก้ตัวล่ะถ้าร้อนมันก็เอาร้อนมาแจว่าร้อนอย่าเพื่อนั่งภาวนาเลยมันเย็นสบายชะก่อน ทำการทำงานหนักนินท์หน่อยๆมันก็เหนื่อยวันนี้ภาวนาไม่ไหวนอนใช่ก่อนหรือวันนี้กินไม่ค่อยอิ่ดีเท่าไหรอย่าเพื่อภาวนาเลยมันท้องมันหิวมันหิวถ้าวันไหนอิม่มจีมจึงค่อยภาวนาอย่างนี้ก็ไปเชื่อมันไม่ได้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 เท่ากันทุกวันแต่เวลาคนเราจะทำคุณงามความดีให้แกตัวเองแท้ๆก็ยังว่าหาเวลาไม่ได้ไม่มีเวลาเราหาได้คิดการให้ดีไว้เวลามันจะเจ็บใครได้ป่วยทำไมมันไม่เลือกเวลาปวดหัูตัวร้อนเป็นไครไม่สบาย โรคภัยไข้เจ็บเวลามันจะเกิดขึ้นมันไม่ยืเวลาเจ็บขึ้นมาลอยๆขึ้นมาเวลาเราจะภาวนาสร้างคุณงามความดีให้แก่ตัวเองหาเวลาไม่ค่อยได้รีกตัวออกจากความยุ่งเดยิงไม่ได้ อันนี้คือว่าเราไปเชื่อมารสังขารกิเลสมารสังขารลมารเขาเคยถูกมัดลับนึงเราท่านทั้งหลายให้จิดอยู่ข้องอยู่ไม่ให้หนีจากโลกไม่ให้พ้นจากโลกต้องดูพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นประทานถ้าดูคนธรรมดาสามัญทั่วไปแล้วย่อมไม่มีเว ล, ลาพระพุท ธ, ธเจ้านั้น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 ผลที่สก็ได้ถึงขั้นตัดทรลุเป็นกระพุติก้านั่นคือว่าท่านทำไม่ถอยท่านไม่ข้อถอยคนอื่นพวกอื่นข้อถอยท่านก็ไม่เกี่ยวท่านเอาตัวของท่านได้เราทุกคนก็ให้คิดถึงตัวเองให้ามากแนวกระเตือนใจของเราให้รู้สึกสำนึกว่า ที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยมันมีความแจ่ความสลายเป็นธรรมดาจริงๆแม่ตัวคนผู้นั้นไม่ต้องการความแจ่ความแจมันก็แก่ไปตามระเบียบตามลำดับมันไม่ได้ฝังใข่ทางนั้นแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วย น, นีตรงอันกันไม่มีใไขปราถนาว่า ให้ข้าพระเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเถิดมี่ใจจะไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยกินย็กกินยาอยู่ทุกวันทุกคืนถึงขนั้นมันก็มีโอกาสเจ็บป่วยได้ะเวลาเราจะทำความดีทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามักจะอ่างโน้น อ, อ่างนี่ไปตามเรื่อง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 คิดแตะนอนมันก็ตายได้มันตายได้ทุกเวลาถ้าเราคิดดูให้ดีลเลยความตายมันตายได้ทุกวันทุกคืนอย่างนี้คนอื่นเขาตายให้เห็นเราก็เอามาคิดมาพิจารณาถ้าตัวเรานี้ถึงขั้นตายอย่างนั้นคนงามความดีอันใดของเราเกิดเมแล้วหรือยัก เราจะไปร้องขอออาจากไครในเมื่อเวลาเราอยู่ดีสบายพอที่จะประกอบกรรมเอาบุญกุศลส่วนส น, สนี้เราอย่าให้มันเสียเวลาให้เรียททำเพราะเมื่อความเจ็บไข้มาถึงก็ตามหรือว่าความตายมาถึงตัวของเราการ็ตามเราจะไปเปลี่ยนให้คนโน้นคนนี้ว่าช่วยบ้าง หรือว่าไปช่วยตายให้ข้าไปเจ้าบ้างเขาจะไม่ยอมก็ได้วาละของแกแกก็ตายไปสิจะมาเอาข้าไปเจ้าไปตายทำไมเล่ า, าก็ว่าแนแค่นั้นเราต้องตั้งใจของเราเองพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงกัดว่าอัตตาหิอั ต, ตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตนเมื่อเอาจจริงๆมันตนเป็นที่พึ่งของตนจริงได้เราจะไปคิดพึ่งคนอื่นมันก็ได้นิดๆหน่นนยนอยๆไม่เต็มเม็ดเต็มหนวดถ้าเราเพึ่งตัวเราเองเน่ะตั้งใจไว้ว่าทุกข์ขึนจะเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดหนักขนาดไหนก็ตาม เราจะนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระววสวดมนต์ให้ได้มันจะตายเราก็ยอมตายในที่การทำคุณงามความดีทั่นเมื่อตั้งใจไว้อย่างนั้นแล้วก็ประกอบกระทำให้ดัเป็นขั้งแรกขั้งที่หนึ่งเมื่อทำได้ขั้งที่หนึ่งขั้งที่สอ ง, ง, สองก็ทาได้ ข้างที่สามที่4ีที่ห้าที่หกที่เจ็ที่แดที่9้าที่1ิก็ทําได้แต่ถ้าเราไปละเลยเสียข้างแรกก็ทําไม่ได้มันก็โกหกพบรมเราเลื่อยไปผลที่สุดเลยไม่มีเวลาทําไม่มีเวลาปฏิบัติทั้งๆงเวลามันมีอยู่ ชีพเราก็ยังมีอยู่ยังไม่ตายเราจะว่าทําไม่ได้ไม่ได้เราเรียกทาทีเดียวเพราะว่าเมื่อความตายมาถึงเขา้าไม่มีใครจะช่วยได้ดีเท่ากับคุณงามความดีที่เราทําไว้เราทําบุญให้ทานรักษาฉีดโดยเฉพาะการนั่งภาวนาเราต้องเอาให้มันมากมากน้อย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 ได้เวลาทำอะไรให้เรีกทำโดยเฉพาะคือว่าเวลาปฏิบัติธรรมะเวลาฟังธรรมเวลาปฏิบัติบูชาสิ่งเหล่านี้เราต้องเอาเวลาเข้าจาักเกณฑ์ไม่ให้จิตใจมันละหลวมเพราะว่าใจมนษุษย์อุทุชนคนเรานั้นมันละมันละจนหลวม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 ทั้งหญินทั้งชาติขนาดเจ็ดขวบเจ็ดปีท่านสามารถภาวนาได้ละกิเลสได้ด้วยเป็นพระโสดาสติคาคาอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันตา์าเพื่อว่าท่านทำท่านไม่ใช่เป็นนักโษูษนักโทษอย่างเดียวมันพอทำได้ นักทำนักปฏิบัติยากนอนแค่นั้นยาได้เป็นเพียงแต่พูดได้แต่ไม่ทําไม่ปฏิบัติไม่ได้ผลแล้วก็ทําไมข้าพเจ้าทําจึงไม่ค่อยได้ผลหรือว่าภาวนาเวลามาหลายปีหลายเดือนแล้วจิตใจก็ยังไม่เป็นไปได้เพราะเอะไรเล่า ก็เพราะว่าเราทําอะไรมันไม่จริงใจใจไม่จริงเมื่อใจไม่จริงที่เลอะมานสังขารมานมันจะหลอกลวงให้หวันไวสั้นสะเทือนไปต่งตางๆนานาเลยใจิตใจไม่แน่วแน่มัน่นคงเราต้องเอาให้มันแน่วแน่มัน่นคงการภาวนานั้นความจริงคือว่าทุกิริยาบท ยืนก็ภาวนานั่งก็เรียกว่านั่งสมาธิภาวนาเดินก็เรียว่เดินจงกรมภาวนานอนชิอาสัยาตินอนตะแคงขวา่าก็เป็นการภาวนาคือว่าทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนเมื่อหัดเข้าทำนานเข้ามันต้องทุกิริยาบท น, นั้นแหละ มันจึงจะเป็นไปได้ถ้าเราจะเอาเวลานั่งอย่างเดียวบางคนมันนั่งมาตลอดวันแล้วเมื่อมาถึงเวลาจะหลับจะนอนมันก็ง่วงไปนั่งเขานิดหน่อยมันก็หนาวเลยผลที่สุดก็ไม่ได้เรื่องทาง่วงหนาเขานอนจะทําอย่างไรวงวกเนาวเขานอนท่านก็มีสิ่งที่แก้ได้ ถ้าเราเดินความง่วงหนาหามนอนมันจะหายไปแต่ยังอื่นนั้นถ้ามันง่วงมากๆแล้วเอาไม่ไหวอย่างนั่งสมาธิก็เถอะนั่งเข้ามาทำมันความง่วงมาทับผมนะมันหลับไปเลยคอพับลงไปแล้วก็หลับนกนเกาเกาไม่ได้เรื่องมันได้แลว้วท่านให้เดินจงกรม เดินกลับไปกลับมาให้จิตใจมันชดชื่นให้ร่างกายมันปลอดปลง่งความจริงท่านเดินมากๆมีสบายผู้ฟุกหัดจิตใจแรกๆจะต้องใช้การเดินให้มากหน่อยนั่งมากหลายก็ไม่ไดคดีเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายจึงให้เอาพอดี แต่เดินให้ดีร่างกายแข็งแรงโลกภัยไข้เจ็บก็ไม่จําเลือดลมก็ปลอดโปร่งวิ่งได้คลานทั่วร่างกายแต่คนเราไม่ค่อยชอบเพราะมันไม่ค่อยหลับได้เดินในสมัยขั้งพุทธกาลยังมีพระภิกษุบวชใหม่องคองหนึ่ง เป็นคนลูกหลานเศษนรษฐีเขาว่าลาพ่อเศรษฐีมาบวชเขาก็ไม่อยากให้บวชพอท่านลาได้มาบวชท่านภาวนาจริงๆองค์นั้นคนสมัยนี้ดูจะไม่มีความอดทนเหมือนองนั้นทีแรกท่านก็มานั่งภาวนา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 ทาที่เดินจนกองนู่นแต่นี่ท่านไปเดินเอาจิ้มด้วยเดินจนกระทั่งว่ามันนาำสักเท่าไหรก็ไม่ทราบเดินเดินจนเท้าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียดว่าเอเดินจน เข้าตกแล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จมากผลท่านก็คลานเอาบอนะเอาเข้าลงไปมือสองข้างลงต่คลานเหมือนเหมือนวัวควายละ่ะภาวานาพุทโธเรื่อยไปของนี้ท่านท่านสอนตัวเองโดยวิธีนี้ท่านเข้าก็นานเข้าหันมัน เขาก็แตกเลือดไหลคานไม่ได้มือก็แตกเลือดไหลคานไม่ได้ท่านก็ยังไม่ถอยความคีนเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทำอย่างไรท่านปรึกษาใจของท่านท่านก็บาทเน่ก็เอานอนขานทางไป พลินแผ่นดินลดเอียดยปักกว่าทีดีๆนอนคล่งแต่และคิดไปคิดไปพุโทโธไปจนสุดทางจบกดแล้วก็ตึงกลับมาอีกถึงสุดทางนี้อีกภาวนาพุโทโธเรื่อยไปอย่างนั้นนหะอีตอนนอนขวางทางนี่แหละได้การเลยคือร่างกายก็ไม่แตกไม่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 จนถึงขั้นได้สำเร็จมรรคผลในการเดินจงกรมแบบนอนจงกรมแต่ไม่ใช่นอนนิ่งนิ่งถ้าไปนอนนิ่งเด้งกิเลสมามันก็เขาเยียบคอเท่านั้นเองแต่ท่านไม่นิ่งกลิงไปพุโทโธกลิงไปนึกเจรินเอาจาได้ชัยชนะได้สำเร็จในการเดินจงกวมองนั้น พวกเราทั้งหลายทุกองทุกค น, กคนถ้าเอาขนาดนั้นแล้วหลวงปู่ว่าได้สาเร็จทุกคนมันแหะตอนที่มันไม่เอาเนี่ยีตอนนี้มันไม่ได้ถ้าถามว่าอยากได้ไหมโอ้ยยกมือสาธุอยากได้แหละเป็นคนที่หนึ่งของโลกแต่ว่าเวลาทำมันไม่เป็นคนที่หนึ่งของโลก โยในวิสัยทุกคนจะต้องเป็นไปได้แต่ว่าการปฏิบัติบูชาภาวนานั้นท่านว่ามันเป็นไปส่างจริตนิสัยของแ่ลบุคคลจะไปเรียนแดบบอย่างองค์นั้นองน์นี้แต่เอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ค่อยจะได้มันมีแดดของใครของมันอยู่ในตัวอยู่ในใจนั่นแหละ อุบายธรรมต่างๆตง็เหมือนกันมันไม่ใช่พุโทโธอย่างเดียวอุบายใดเมื่อเราเอามาันึกมาเจริญมาสอนจิตสองใจของเราพอให้จิตใจเราสงบละงับได้รับความสดดสังเวชก็ให้ถือว่าเป็นอุบายภาวนาที่ถูกกับ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 แต่ว่าการทำการภาวนามันไม่มติดต่อกันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คิดฝูงสารไปว่าข้าพเจ้านี้บุญวาสนาบา ร, รมีมันถ้าจะน้อยไปน้อยก็ไปคิดไปอย่างน่ะวนะบา ร, รมีไม่มีใครน้อยใครมากคนเรานั้นบา ร, รมีนั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่น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 คนไม่เป็นใบก็เป็นคนมีบารมีคนไม่เป็นผีบ้าก็เป็นคนมีบาลามีเมื่อบารมีมันมีอย่างนี้มันต้องทำต้องปฏิบัติแม้จะดีมดทุกอย่างแต่ว่าอาศัยกิเลสมายั่วยุให้ข้อถอยความเพียนไปเชื่อมานกิเลสคือว่า คงไม่ได้เลือกอย่าไปฟังมันสร้างใจทำสร้างใจปฏิบัติมันจะหลอกลงให้เราหยุดยัง้ยงเป็นอันว่าไม่ยอมพระพุทธเจ้าพระอริยเาจา้าทั้งหลายท่านไม่ยอมง่าง่ายท่านเอาจริงจริงดีลกความโกรธความโลกความหลงใงท่านเห็นว่าเป็นตัวมาร้ายที่สุด ท่านลุกขึ้นเย็นอยากต่อสู้เอาจนได้ชัยชนะไม่ใช่คนอื่นสู้ให้นะตัวของท่านค่ะสู้เองละสี่แเองทำความเพียรเองจนได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานด้วยจิตใจของตัวเอง อย่างนี้เราจะต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าทำไมทำจริงทำได้ปฏิบัติได้ถ้าจะว่าถึงชาติกูลก็ท่านเป็นลูกขาวพญามหากษัตรตระกูลสูงที่สุดถ้าจะดูตามปูริสานลักษณะตามตำนานหนังสือทันโกษ ร่างกายสังขารท่านเล ว, วา่าสุภาพเรียบร้อยแข็งแรงท่านทำอะไรก็เอาจริงทำจริงด้วยผลที่สดท่านทำจริงๆปฏิบัติจริงๆรจนในโลกไม่มีใครสามารถจะตรารถนาได้เหมือนพระองค์แต่พระองค์ท่านตัดได้ทำได้ นั่นแหละคือ ว, ว่าคนทำจริงมีพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานมีพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นต้นเป็นประธานจึงได้เป็นคติเตือนใจเราเราทำท่นว่าอย่านิ่งนอนใจไม่มีใครจะช่วยตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองตัวเราเนั่นแหละ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 ยังละยังตัดได้ทั้งๆที่เราดูธาดูตะกูลนั้นไม่น่าจะออกมาบวชมาภาวนาได้ถ้าคนสมัยนี้ละก็จ้างหยิดก็ไม่ได้สมัยนั้นไม่ต้องจ้างท่านมีศรัทธาสเสด็จออกบรญชาเองไม่ให้ไปท่านก็รับ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 จกงปฏิบัติละกิเลสความโกรธทั้งหมดไปนั่นละคนจึงละกิเลสความโลภราค้าตังขัตัดออกจากจิตใจได้นั้นแหละคนเจ่งพระเก่งเนรเก่งเมฆาเมฆทีเก่งกล่องเ็นผูปัดกิเลสในใจของตนได้ไม่ตามใจกิเลสผู้ดใดตามใจกิเลสของตนเจะ จะจาดว่าเป็นคนกล้าสามารถไม่ได้ขนอ่อนแอทอดแท้์นานั้นพระพุทธเจ้าท่านสามารอานทานมักขนนิพานที่พระองค์ได้ตัดสุดนั้นความจริงคือพระองค์เอาชีวิตแลกกัดูเวลาวันนั้นที่พระองค์ได้ตัดสุดท่านมีความตั้งใจว่า แม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายเราก็จะให้ตายที่นึงจะไม่ไปตายที่อื่นท่านตั้งใจลงอย่างนั้นเจ้าก่เลสมารสังขารละมานไม่ต้องมาหลอกเราอยกต่อไปเราไม่เชื่อแกแล้วพระองค์ที้น่ากิเลสได้ ท่านไม่ทำตามจริงๆท่านภาวนาลูกเดียวจิตใจแน่วแน่มั่นคงจนได้ตรัสรู้พระอนุตตรัมหมสัมโพธิญาาจริงๆไม่มีใครไปช่วยพวกเราทั้งหลายก็ไม่ได้ไปช่วยท่านอย่าว่าจะไปช่วยภาวนา แม้อาหาและบิณฑบาตเราก็ไม่ได้ไปใส่บาตรกัพระพุทธเจ้ า, ถ, าถ้าไปเกิดสมัยนั้นเกิดดูจะเป็นคนตักบาตรผมเป็นคนใส่บาตรแหะกับพระพุทธเจ้ารวยใหญ่้วไปขอขอทานขันกับท่านหรือว่าไปตักบาตรกัพระพุทธเจ้าไม่ใส่ใส่บาตรฉะนั้นเราต้องตั้งใจของเราเสียให้ใหม่ อย่าไปเอาใจที่เหียดที่ค้านมักหน้าในใจมีความเปียนความหมันความขยันอะไรทุกอย่างมันขึ้นกับความหมันขยันท่านั้นแหละไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมทางโลกเราก็จะบนแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิตไม่ดีก็เราไม่ทำการทำงานมันเป็นล่ำเจงสัน มัวเห็นแต่ความสบสบายในโลกมันก็เลยเช็คกิจมันก็จิตมันก็สั่นเขาไปไม่ได้เรื่องมันเด็กลราท่านในนั่งภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนากดตีโพยตีพายว่าไปอย่างไดที่จะไม่ได้ทำแล้วก็ชอบอย่างนั้นเราต้องไม่เอาอย่างนั้นไม่เอา พระพุทธเจ้าทำพูดจริงปักจริงพูดอะไรแปลว่าพูดจริงปักจริงถอนจริงคิดจริงคิดว่าจะให้เด็้ตัดสูกเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ตัดสูกข้าจะนั่งภาวนาให้มันตายแห้งเหมือนกบยากจะตั้งใจภาวนาเอาจนได้ใจชนะ ตัดจรู้เป็นพระกุทิเจ้าซึ่วัดตัดิเลกในจิตในใจของเจ้องค์คนเราทุกคนก็มีกิเลสัณหาเหมือนเหมือนกับถ้าเราตั้งใจให้ดีตั้งใจตัดตั้งใจละตั้งใจภาวนาแล้วอะไรทั้งหมดมันไม่เหลือวิสัยโยในวิสัยทุกคนจะต้องทำได้ปฏิบัติได้ ขอพระพุทธเจ้าท่านทำได้เป็นตัวอย่างทำไมเราจรึงทำไม่ได้พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านทำได้ตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาศรัทธ า, าชาวบ้านชาวบ้านบางคนท่านปฏิบัติพระ ได้สำเร็จมรรคผลก่อนพระก็มีนั่นเชื่อว่าท่านตั้งใจทำคนเราถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ยมันเข้าใจได้น่าถ้าไม่ตั้งใจแล้วอะไรอะไรก็ลุดลอยไปหมดนั่นแหละต่อไปให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจไม่มีใครและจะช่วยตัวเราได้ตัวเราเองนั่นแหะช่วยตัวเราเอง คือใจของเรานั้นใจของเราต้องมีสติความระลึกได้ว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เราอยู่ในฐานะใดจิตใจเราได้นิดน้อมอยู่ในภาวนาไหมใจของเราเลื่อมใสในคุณพระพุทธธรรมประสงหรหรือเปล่าเราทํำบาปหรือเราทําบุญเราคิดบาปหรือเราคิดบุญ เราพูดบาปหรือเราพูดบุญสิ่งเหนี้เราจะต้องเตือนตนเตือนใจของตนให้ได้แล้วก็จะได้แก้ไขสิ่งที่ผิดๆเหล่านั้นออกไปให้หมดขิ้นเอาแต่สิ่งที่ถูกต้องตามธรรมนองคลองคามาประพฤติปฏิบัติถหามันคล่องแคล่วว่องไวทำจิตทนใจทำกิเลส จึงจะละกิเลสความโกรธได้จึงจะละกิเลสความโลภได้จึงจะละกิเลสความหลงได้ฉะนั้นอุบายรำต่างๆที่กล่าวานี้มากมายพอสมควรเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายผาจันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงได้รักความสุขความเจริญมีวังกองีดดวยกกาลัจริยสัพพิโยวิวัตทันตุสัพาโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุคีทีคายยโกภวะอะิวาธานาสิริสนิจังวุฒาปจายิโน จตารโทธรมาวาทันติอายุพโนสุขังาลางังนโมตาาาาตะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนโมตาาาตะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนโมตาาาตะภะคะวะโต อาระหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน อ, นอนนอนแดดพระผู้มีภาภาพระภาคการันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งส ม, มาธิภาวนา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 ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดทิด้การนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเพชรนี้เป็นธรรมเนียมมาจากพระพุทธเจา้านั่งภาวนาใต้ลมไม้โพกการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ได้นำไปเวลานี้ได้ไป ขัดนั่งสมาธิในกรุงเทพในกรุงเทพภาวนาทุกวันถัาไปเดี๋ยวนี้ท่านจะขัดให้นั่งสมาธิเพศรัางนั้นไปเทศวัดเบนจากุลคนก็นอนหลายพันคนก็ให้นั่งสมาิขัดสมาธิเพศไปนั่งวัดวัดพันติสารามท่นจะให้นั่งขัดสมาธิเพช คือเป็นการฝึกไปในตัวแต่ว่าพวกมักง่ายมันก่นนั่งอย่างใดก็ได้อ น, นั้นคือว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่คนไม่ไม่เลี่ยสนสายศรัทธาในการปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาผู้มีศรัทธาเลี่ยนสายในการนั่งสมาธินั้นเนว่านั่งได้แล้วก็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 โอกาสมันมานมาให้เพื่อให้เราสร้างบารมีบารมีเราจะได้แก่สร้างเมื่อมันมีโอกาสเมื่อแก้ไขสิ่งที่อุปสเล่นไปได้มันจะเป็นบุญเป็นกุศลชีวิตของคนเราทุกคนที่เกิดมานั้นเพาว่ามันต้องต่อสู้ถราไม่ต่อสู้ก็ไม่ได้ต้องต่อสู้ ความสุขจริงๆนั้นมันอยู่ที่เรีย ว, ว่าไทรณนะเมื่อได้ไทรชนะแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาการภาวานานี่ก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าฤดูหนาวมันก็มักจะอ้างว่าหนาวนั่นแหละภาวานาไม่ได้หนาวมากถ้าลองไปถึงแล้วดูร้อน ล่อนมากได้ไวเหลื่อไหลไข่ยกอนั่งไม่ไหวก็อเอาไป เ, เมื่อถึงฤดูฝนมันก็ตืว่าฝนอันนี้พวกสังขารมานพวกพยามาณพยามาณ น, นั่นคือว่ามันเป็นใหญ่ในโลกใครจะทำดีที่ไหนมันถึงไม่พอใจผักกล้องตลอดการ แต่ถ้าคนทำชั่วเสียหายแล้วมันชอบใจตบมือให้เพื่อให้มันผูกมัดรัดเริงให้มันอยู่ในโลกไให้นานที่สุดไม่ยอมให้ไปสู่นิพพานอันนั้นเราต้องให้เราวังมานกิเลสตั้งจิตตั้งใจบริสันภาวนา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 นายต้องเดือดร้อนวุ่นวายเมื่อคนอื่นผู้อื่นสัต์อื่นเขาจะเดือดร้อนวุ่นวายถ้าใจเราไม่มีทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายมันก็สบายอันสบายใจนั่นแหละสําคัญกว่าสบายกายการรูปร่างกายนี้จะให้สบายจริงๆนั้นไม่เป็นไเพราะว่าร่างกายนี้ เป็นลังของโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารตนะลอดเวลาถ้าเราไม่เขวานาไม่สังเกตก็ไม่เห็นถ้าเราสังเกตก็จะได้เห็นนั่งในนั่งมันจะมีโอกาสมีทุกข์ขึ้นมาถ้าน้องนานๆหน่อยมันจะปวดนั้นเป็นนี่มึนตาอะไรต่อมิอะไร มันก็คือโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองเมือม่อเหนื่อยในการนั่งก็ยืนขึ้นยืนที่แรกก็สบายถ้ายืนนา น, านเข้าก็ไม่สบาก็เดินเดินที่แรกก็สบาถ้าเดินมากเข้าก็ไม่ไหวอื้อันนี้คือว่าร่างกายสังขารมันเนต็มไปด้วยก็ยาตโรคภ คอยจะให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นได้ทุกเวลาเมื่อถ้ามันเกิดไข้ได้ป่วยอนไรเกิดมีขึ้นมันก็ปรงแต่งต่ก่อนแล้ว่ามันจะกำเลิกมากจะได้ถึงแก่ความแกกความตายมว่าไปนมดทั้งๆที่มันนิดๆไ ด, ด้หน่อยเท่านั้นเพราะนั้นนานที่เลดเหล่านี้ท่าน่าให้ลู่เล่ห์เยี่ยมของมัน จะไปเชื่อไปหลงแต่มันยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่มันยังในปาอะภาวนาเรื่กยไปพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกหรือลวนจิตใจท่องตนให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในเมื่อทํำภายใ น, ในในใจได้เป็นข้างชึงข่าวทําได้สม่าเสมอ เท่าไรจิตใจมันก็มีกำลังมีความสามารถอาหารขึ้นไปโดยลําดับลําดับพอจิตใจนี้ก็เหมือนกับปลูกต้นไม้เมื่อปลูกต้นไม้แล้วระวังรักษาเจ้าของต้นไม้ต้องระหมัดระวังรักษาให้น้ําให้อาหารนใอยปุ๋ยต้นไม้ก็จะเร่งขึ้นไปโดยลําดับ สมาธิภาวนาที่เราทำทุกคืนไหว้พระทุกคืนนั่งสมาธิภาวนาทุกคืนทุกคืนไม่ให้ขาดอันนี้มันก็ค่อยดีขึ้นไปโดยลำดับนะครับต่อว่าจะให้เหมือนความอยากความต้องการของมนุษย์คนเรานั้นย่อมไม่ได้พอเราทำอยู่เสมอเสมอลมันจะได้มันไม่เหลืออยู่ใส่เป็นไปได้ แล้วการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชานี้ต้องทำใจเย็นเย็นทำใจร้อนไม่ได้จะให้ได้ดังความคิดความหมายอย่างโน่นอย่างนี้ปรุงแต่งเลื่อยไปนะไม่ได้สงบความปรุงแต่งเสี้ยตั้งใจบอริกรรมภาวนาในจิตในใจของเราให้มันได้สม่าเสมอ รู้ใจมันก็ค่อยเจนค่อยไปมันไม่ใช่ว่าเจนไปตามความมุ่งมากสาธนารวดเร็วเหมือนใจคิดใจอยากไม่ได้ต้องทำเลือกไปปฏิบัติเลือกไปอย่ามีความท้อถอยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไปแล้วว่าเอาให้ได้ทุกลมหายใจ คือว่าทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราต้องนึกให้ได้เจริญให้ได้อยู่คือเมื่อมันได้ในขั้นนั่งภาวนาเดินจงกรมพอมันเกิดความเคยชินคุณานขึ้นนั่งธรรมดาทําอะไรอยู่ก็ตามมันก็นึกได้เจริญได้ตั้งใจได้ไปตลอดเวลา ตอนแรกๆ ก, ก็ทาจงการจนเวลานานเข้าไม่ต้องเลือกแหละที่ไหนก็ภาวนาทางนั้นจะขับสมาธิจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะพายอะไรก็ภาวนาเลือกไปที่เจรนาอยู่ในใจอันนั้นเนี่ยเมื่อทำได้สม่ำเสมอเมื่อทำได้สม่นเสมอแล้วมันก็เป็นไปได้ก็เล่นไปได้ติดต่อนอนเนื่องกันไป เนั้นต้องตั้ง อ, อกตั้งใจมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจเมื่อผู้ใดมีความตั้ง อ, อกตั้งใจแล้วท่านกเป็นผู้มีความเพียรพระองค์ทรงตรัสได้ว่าวิริเยนทุกขมัิเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรความเพียรความพยายามในจิตใจนั้นแหละ เพียนไปพยายามไปทุกขณะทุกเวลาผลที่สุดสิ่งที่มันยากตาเนงาน่าสิ่งที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนตลายเปนความสุขความสบายขึ้นมาเพราะมีความภาคเยือนพยายามอยู่ในอวัจัยมีจิตใจอันตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิปปะไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเพราะว่าในโลกเรานี้ มันมีความไม่เที่ยงแค่แน่นอนทั้งหมดโลกนี้มันเต็มไปด้ยวยทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายโลกนี้ไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดแต่ความหลงของสุขนของสัตเมื่อตัวเกิดมาที่ไหนก็ยึดมัน่นหรือมั่นในที่นั้นมาเป็นแผ่นดินของเรามันเป็นแผ่นดินของใครตายแล้วกระถมแผ่นดินค้นที่สุ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 อันคำบอริกรรมภาวนานั้นอะไรอะไรถ้าหากว่าจเจริญให้มากพิจารณาให้มากทุกอย่างและอะไรมันจะเป็นอุบายของนั้นหที่จะยังให้จิตใจสงบลงแอ่ถ้ามีแต่ความอยากความต้องการแต่แเราไม่ทำํำขาดสติบ่อยขาดสมาธิบ่อยขาดปัญญาหนอดขาดความอดความทน อะไรอะไรก็เสียไปหมดตัวตั้งตัวตั้งใจสั้งกายวาจาจิตไม่ได้เหตนั้นจิเลตมานสังขาร ม, มานขันธมานอย่าให้มันมารบ ก, กวนใจให้มีแต่ดวงใจนงแน่อแน่มั่นคงอยู่ในหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาใจิตใจมันจะเย็นสบายมัน